เรื่องของความปลอดภัยของชีวิตจิตใจของเราว่าจะดํารงอยู่ได้ในท่ามกลางของความวิกฤตทางอากาศฤ ด, ดูการต่างๆอย่างไรนะทางยุโรปอเมริกาเขากผเชิญวิกฤตทางด้านความหนาวเย็นในช่วงฤดูวินเทอร์ทางด้านตะวันตกก็ไปเชิญเรือความร้อนจัดในช่วงฤดูเสมอ จะเช่าภาคตะวันตกของเมกาตั้งแต่นิวดาลิฟอร์เนียแล้วก็ทางเท็กซัสนิวเม็กซิโกพวกนี้มันจะร้อนจัดในช่วงตั้งแต่เดือนมิถุนากรากฎาสิงหาแต่บ้านเราก็จะช่วงตั้งแต่กุมภาพันธ์นาเมษาม การจัดซึ่งมันเป็นภัยตัวใหม่ที่จะทำลายมนุษย์เผ่าพันธุ์มนุษย์สัตว์ทั้งหลายให้ให้หมดไปทีละน้อยละน้อยซึ่งในสมัยอันเบอร์นสตี์มีชีวิตยอยู่มีคนถามแก่ว่าสงครามครั้งที่ครั้งที่หนึ่งโรคครั้งที่หนึ่งที่สองเนี่ยเรา รู้รูปแบบของการรบ ก, กันว่าเป็นอย่างไรทีนี้เขาถามแกว่าสงครามโลกครั้งที่สามเนี่ยรูปแบบของสงครามจะเป็นอย่างไรแกบอกว่าสงครามโลกครั้งที่สาไม่สามารถจะนึกภาพออกได้เลยว่าเป็นรูปแบบไหนแต่รู้ว่าสงครามครั้งที่สี่ได้รู้ว่ามนุษย์ต้องใช้หินทุบหัวกันแบบสมัยโบราณในะช่ทํ า, าสงครามกันเพราะว่าเป็น สงครามโลกที่สามมันอาจจะไม่ใช่สงครามที่ลบกันด้วยอาวุธยุทพันฑ์ต่างๆไม่ว่าเป็นสตา r ์ว r เป็นนิวเคลียร์แต่ว่ามันจะเป็นสงครามทําลายล้างทางธรรมชาติเพราะอากาศร้อนจะจัดคนก็จะเป็นงโรคระบาดก็จะเกิดใช่ไหมโรคระบาดเกิดหรือคนไม่คุ้มแข็งก็จะตายไปด้วยการโดนจัดหนาวจัดของธรรมชาติ เพราะสงครามโลกที่สามเนี่ยคนเริ่ ม, มเอาทํำสงครามมาด้านเศรษฐกิจไม่ได้สงครามทางด้านสตราอาวุธเมื่อสงครามด้า น, นเศรษฐกิจก็จะมีการผลิตสู้กันผลิตของต่างๆออกมาดําขายซื้อกันเพื่อแย่งตลาดกันทีนี้เมื่อมีการผลิตวัตถุออกมาเยอะมากมันก็ต้องมีการทําลายร้างธรรมชาติไม่ว่าดินว่าน้ําว่าปุ๋ยซึ่งเป็นปัจจัยของการผลิต ไม่ว่าสารพิษต้นน้ำลำทานป่าไม้ภูเขาจะถูกทำลายมหาศาลทั่วโลกเพื่อที่จะเอามาให้ได้เป็นปัจจัยผลนละนด้เศรษฐกิจสู้กันนั้นาขาดความสมดุลทางบรรยากาศต่างๆก็เกิดขึ้นนั่นคือหมายความว่าจะร้อนจัดหนาวจัดเกิดพายุรุนแรงเกิดสึนามิเกิดภูเขาดินไหวภูเขาไฟระเบิดอันนี้เป็นผลพวงมาจากการที่ การทำลายทางด้านธรรมชาติเพราะการสู้รบทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะเป็นภัยแบบนี้ก็ได้อันเบอร์นไอสไตน์นึกภาพไม่ออกว่าการสู้รบกันในรูปแบบไหนแต่มาดูแล้วมันน่าจะออกมาในรูปแบบนี้นะอากาศมาร้อนจัดคนก็จะตายไปนั้นมากเกิดโรคระบาดเกิดความแปรปรวนทางบรรยากาศมนุษย์ก็จะตายไปครึ้นลกูกคอนโลกถ้าสมมุติว่าเป็นสงครามทางด้าน สตราอาวุธเนี่ยมันสามารถจะห้ามกันได้แก้ไขกันได้ด้วยการเจรจาแต่ความแปรปรวนทางธรรมชาติวิปริตทางธรรมชาติใครจะไปเจรจากับมันมันไม่ฟังใช่ราะคะนั้นเราก็ไม่ ม, มีทางแก้แต่ว่าจะบอกว่าคนที่จะรอดคือคนผู้มีศีลธรรมและคนกลุ่มนี้แหละจะกลับมาสร้างโลกใหม่เพรา ะ, ะนั่นเอง เราทั้งหลายก็ไม่ได้คิดว่าเราจะรอดเหมือนกันแต่เราคิดว่าเรารู้ภัยอย่างนี้แล้วเนี่ยเรามีเวลาเตรียมตัวใช่ไหมจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ว่าแต่เรามีเวลาเตรียมตัวนัน่คือการปฏิบัติภาวนาเตรียมตัวเพื่ออะไรเพราะเรารู้ว่าภัยพิบัติทั้งหลายที่จะทําให้เราอยู่ไม่ได้เนี่ยมันมาทางไหนบ้างมาทางดินทางน้ําทางดมทางไฟใช่ไหมก็มาสี่ตัวนะดินน้ำลมไฟ เมื่อดินน้ำรงไฟภายนอกมันแปรปรวนมันสูงมีมีพลังสูงกว่าดินน้ำรูไฟของเราเองเราไม่สามารถจะปรับตัวได้ดินน้ำรงไฟก็ถูกทำลายเช่นอุภูมในตัวของเราเท่าไหร่สาสิบแปดถึงสี่สิบถ้าเกิดอุณภูมภายนอกห้ 70, าสิบเจ็ดสิบเราจะอยู่ได้ไง น, นี่คือมันก็ทำลายล้างลักษณะนี้เพราะนั้นเอง เมื่อเกิดวิกฤตทางด้านดินฟ้าอากาศขาดน้ำขาดอากาศขาดออกซิเจนเพราะการเผาป่าเผายาเผารากพืนทั้งหลายเนี่ยออกซิเจนก็จะต่ำาคนก็จะเป็นโรคภัยไข้ขเจ็บมากขึ้นเห็นเห็นกันนไม่ใช่เรื่องที่เหลือวิสัยที่จะรู้ได้นั่นเอฐานะเราเป็นชาวพุทธเราก็เป็นนักปฏิบัติ วิปัสนาเนี่ยเราจะต้องเห็นภัยเหล่านี้ใกล้ตัวที่สุดเลยมันเป็นภัยสงครามที่ก็คืบคลานมาทีละทีนีนนนน้เป็นการสู้รบกันโดยทาท่าสีดินน้ำรูปไฟกับข้างในกับทาสี่ของเราเองแต่ข้างนอกสู้รบกันเราจะสู้ได้แค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับเราจะมีวิธีปรับตัวอย่างไรที่คนที่ไม่รู้วิธีกลไกของการทํางานของทาสี่เขาก็ใช้ชีวิตแบบประมาทเหมือนเดิม เขาก็จะได้รับภัยพิบัตินี้ก่อนนะความประมาทในการกินกันอยู่กันถึงกันใช้การสอยที่ไม่มั่ระวังเขาต้องได้รับภัยพิบัติอันนี้ก่อนแต่เราผู้ซึ่งได้ศึกษาเรื่องวิปัสสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านพูดถึงเรื่องของท่าสีด้วยว่าการจะปรับท่าสีให้สมดุลเพื่อปรับให้เข้ากับธรรมชาติภายนอกได้เนี่ยควรจะทําอย่างไรนะเช่นว่าเมื่ออากาศร้อนเราต้องดื่มน้ำให้เยอะ อย่างนี้เป็นต้นเพื่อปรับสมดุลภายในและอยู่ในอากาศที่มันไม่มีหมอกควันไม่ร้อนจัดเกินไปได้มีบรรเทาเช่นจะอยู่ในป่าอยู่ในถ้ำหรืออยู่ในที่ที่เครื่องปรับอากาศที่พอจะทำได้หรือสร้างบรรยากาศขึ้นมาด้วยกันเมื่ออากาศรจจ้อนจัดล้วเคยมีการประพรมน้ำมีการ ทำไงก็ได้ให้ปรับอุณหภูมิในตัวของเราเนี่ยสู้กับข้างนอกได้เราสามารถทําได้นะเพราะฉะนั้นเองอย่าเรื่องอาหารการกินก็เหมือนกันเราก็จะทุกขจากเลือกอาหารที่มันเป็นธาตุน้ําธาตดินให้มากอย่าเลือกธาตุลหะธาตุไฟพไปเพราะธาตุลหะธาตุไฟมันไปเสริมอุณหภูมิให้สูงขึ้นมันก็จะทําให้อาเผาขานได้เร็วนี่เราก็ปรับธาตุของเราสู้ นี่คือสงครามที่ละเอียดอ่อนอด้านจิตและอารมณ์เวทนาเหมือนกันเราก็ยังทนต่อเวทนาต่างๆเมื่อจิตของเราเข้มแข็งทนต่อเวทนาได้ทนต่อทุกเวทนาที่เกิดความแปรปรวนของดินน้ำลมไฟจิตของเราก็สามารถดำรงอยู่ได้แล้วก็ปรับจิตสู้สู้กับเวทนาต่างๆพะความแปรปรวนภายนอกมันจะมีผลต่อกายต่อจิตเราได้ก็ผ่านเวทนาเท่านั้น ถ้ามีเวทนาก็มันก็ทำลายเราไม่ได้นี่อันนี้คือสงครามตัวใหม่มันน่าจะเป็นิึงอยากจะให้พวกเราไม่ประมาทในการศึกษานอกจากเรื่องของการปรับจิตแล้วเนี่ยจะต้องปรับกายปรับรูปให้เป็นด้วยว่าจะปรับแบบไห น, นแต่เราไม่ได้กลัวนะแต่เราทำเพื่อการศึกษาเมื่อศึกษาได้ประสบการณ์ว่าเรา สามารถที่จะดํารงอยู่ในความแปรปรวนเปลีป่ยนแปลงของธรรมชาติทั้งสีภายนอกภายในอย่างไรเราก็ได้ไประสบการณ์ในการปรับปรุปรงแก้ไขตัวเองแล้วก็สามารถที่จะไปแบ่งปันให้กับคนที่มีธรรมด้วยกันให้เขารู้จักวิธีแต่เขาอาจจะไม่มีความละเอียดรอบคอบอย่างที่เราศึกษากันแต่เขาก็คนมีสิทธิ์ที่จะได้ศึกษาและดํารงเผ่าพันธุ์ของคนดีต่อไปนั่นก็คือเราจะต้องแบ่งปันประสบการณ์ให้เขาด้วย นี่คือส่วนดีว่าเราลอดแล้วก็รู้จักวิธีรู้จักการปรับวิธีที่จะให้คนดีทั้งหลายที่เขาต้องการที่ดีขึ้นไปให้เขาอยู่รอดได้ด้วยซึ่ง็อาจะเป็นเผ่าพันธุ์ที่จะต้องช่วยกันสืบสารโลกใบใหม่ต่อไปได้ดิเมอร์มีการทำลายล้างด้วยธรรมชาติเกิดขึ้นน่สิ่งที่เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่ที่สามารถปรับตัวให้อยู่กับโลกนี้ได้แม้จะมีการ วิกฤตแปรปรวนอย่างรุนแรงก็ตา่างซึ่งการปรับตัวก็เเรื่องสําคัญน ะ, ะที่ปรับตัวไม่ได้สัตว์บางชนิดบางเผ่าพันธุ์ก็สูญพันธุ์ไปแต่บางเผ่าพันธุ์ก็อยู่รอดปลอดภัยจนถึงทุกวันนี้ก็มีเยอะการปรับตัวนั้นเองเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะที่เราจะะวิตกผู้ร้อนไปก่อนแต่เป็นเรื่องใกล้ๆตัวเรานี่แหละอะจะทํายังไงในฤดูร้อนจัด พรปีนี้เขาบอกมันเป็นปีนร้อนในรอบห้าสิบปีเพราะฉะนั้นการที่จะต้องปรับตัวสู้เพื่ออากาศที่เอาร้อนรุนแรงนี้คนจะทําอย่างไรนะทุกปีเมื่อเมื่ออากาศมันร้อนจะจับมันจะมีฝนมาสลับฉากเป็นระยะระยะแต่ปีนี้ยังไม่เห็นวี่แววเลยว่ามันจะสลับฉากกันตอนไหนถ้าสงกรารนี่ไม่มาเนะี่ยก็ยังวิกฤตหนั ก, กเข้าไปอีก เพราะฉะนั้นน้ําท่าในวัดของเราก็จะต้องใช้แบบประหยัดน้ำมระวังเหมือนกันเราจะเห็นว่าน้ํามันง่ายจะลดจะล้างจะอะไรก็เต็มที่ก็ต้องระมัดระวังนเพราะฉะนั้นก็เราก็มีน้ําในห้วยที่เป็นน้ําสํารองในห้วยที่เราเก็บไว้ในห้วยด้วการขุดบอ่อแล้วก็ดึงเข้ามาสํารองสองแหง่งเมื่อบอ่อเหนือมันแหง้งก็ใช้บอ่อใต้ ซึ่งน้ <t Always Kub ucks> ําก็เยอะกว่าเพรามีโอกาสที่จะแต่ชาวบ้านเขาวิกฤตกันแล้วตอนนี้น้ําโยมันหมดทีนี้จะไม่ใช้บ่อที่มันมีน้ําก็น้ําก็แห้งนี้ก็เดือดร้อนถึงอบ่อต่อที่จะต้องลากน้ํามาแจกกันมาใส่ให้ถ้าเกิดว่าแหล่งน้ําที่เขาลากมาหมดนี่สงครามแย่งน้ําก็ได้เกิดกันสงครามแย่งอาหารต่อไปสงครามแย่งอากาศสงครามแย่งที่อยู่อาศัยมันก็จะเกิดขึ้นตามลําดับ นี่เลยว่าสงครามในรูปแบบใหม่เกิดขึ้นเมื่อก่อนที่จะมาจะไปจัดะบรมที่นู่นเนชาวบ้านนี่ก็แบ่งเป็นสองพวกแยงน้ำกันพวกหนึ่งเกี่ยวกับเอาน้ำไปใส่นาข้าวที่มันกำลังจะสุกพวกหนึ่งที่ใช้น้ายมเป็นน้าใช้สอยบริโภคผ่านการการันกรองก็ไม่ให้พวกนั้นก็ต้องการที่ให้ข้าวรอดก็เลย เดีย๋ยวพวกลบกันเดือดร้อนถึงฝ่ายข้างบนลงมาห้ามทับมาแก้ไขเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะนี้ไม่ใช่หมู่บ้านนี้เท่านั้นแต่หมู่บ้านอื่นก็เช่นเดียวกันเพราะ น, นั้นเองเขื่อนต่งงงางๆก็จะแห้งที่เราเห็นเมื่อวานเป็นเขื่อนเป็นแม่น้ำปิงใต้เขื่อนภูมิพลน้ำเขาเปิดจากการผลิตไฟฟ้าก็าดูเหมือนมีน้ำเยอะ แต่เนือขื่นขึ้ น, นไปไม่น้ำปิง่งมันไม่มีเหลือล้วทีนี้เมื่อน้นําเหนือไม่เสริมแต่เปิดแต่น้ําใต้ทั้งบริโภคใช้สอยเพื่อปั่นไฟฟ้าด้วยแล้วมันจะคุ้มได้กี่เดือ น, น, นวิกฤตไม่ใช่เกิดขึ้นดังนั้นเองเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้ความเป็นไปรอบด้านเพื่อเพื่อปรับตัวสู้ถ้าเราไม่ใส่ใจที่ละเลย ใ, ใช้คําอีกนอน อีกเนาะคือละเลยต่อสิ่งแวดล้อมที่มันกําลังรุมเรา้ า, าเข้ามาหนึ่งเมื่อถึงวิกฤตมาใกล้ตัวแล้วเราก็ไม่มีทางออกเราก็ต้องยอมจํานวนต้องป่วยต้องตายไปเราจะบอกว่าชีวิตมันไม่เที่ยง เ, ป, เ ป, ลปลีย่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันป่วยมันตายก็ดีเราจะได้หมดหมดกันไปคิดอย่างนี้ถูกไห ม, มเดี๋ยวเอานะว่ามันชีวิตมันจะตั้งไหนก็ทั้งอ่า เป็นไปนตามกฎได้ลักอยู่แล้วมันจะเป็นช้าเป็นเร็วก็ไม่ใช่สําคัญเพราะนั้นอะไรเกิดขึ้นเนตายก็ตายอยู่ก็อยู่คิดอย่างนี้ถูกไหมในยะหนึ่งมันถูกใช่ไหมแต่ในยะหนึ่งมันไม่ถูกเพราะชีวิตคือการต่อสู้การต่อสู้หมายความว่าจะต้องดิ้นรนเพื่อการดํารงเผ่าพันธุ์ของมนุษย์โดยเฉพาะเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่เป็นสัมมาทิฏฐิคนจะดารงอยู่ให้นาน แต่เผ่าพธมนุษย์ที่เป็นมิจฉาทิฐิไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้เนี่ยเขาก็ต้องตายตามวิบากกรรมเขาอยู่แล้วนั้นก็อยากจะให้พาเราไปพิธีบัตเนะ่ยออันนี้ไม่ใช่วันพระนะวันพระจะ่ม่ใช่ อ, อกก็ไปเลยไปไปพิบัตก็ไปเพาหมู่เจ็ดก็ได้ครับก็ไปแค่หมู่พราะนั้นก็อยากจะให้เราได้เรียนรู้เรื่องนี้ด้วยทีนี้ตามประสบการณ์เขามา เอามาเป็นคนสองโลกโลกตะวันตกและโลกตะวันออกเพราะฉะนั้นก็สามารถปรับอากาศทั้งตะวันตกตะวันออกได้ทั้งในส่วนที่หนาวจัดและส่วนที่ร้อนจัดทีละซีิวกัสร้อนจัดน่าแรงแล้วก็หน่าวินเทอร์มาทางตะวันออกทางยุโรปหนาวจัดก็ผ่านกันมาเมืองไทยอย่า ง, าางสมมูุทรโทางตะวันตกของอเมริกาเนี่ยมัน ร้อน90หรือ1้0หรือร้อยยี่สิบเนี่ยถ้าเป็นบ้านเราก็มานสี่สิบห้าสิองศาเขาก็อยู่ในแอร์ตลอดในช่วงที่มันพีคขึ้นเต็มที่แต่บ้านเรามันไม่ใช่เป็นโซนที่เราร้อนถึงขนาดนั้นเราก็ไม่ได้เตรียมแอร์ตามบ้านต่างๆใช่ไหมเพราะโอกาสที่จะร่มตายมันก็เยอ ะ, อะถ้าว่ามันขึ้นในระดับนั้น เพว่าทางยุโรปทาอเมริกาเนีเขาผ่านทั้งสองอย่างมาสูงสุดเหมือนกันหนาวก็จะอยู่ไม่ได้ร้อนก็จะอยู่ไม่ได้ต้องมีการเตรียมการล่วงหน้าแต่ทางยุโรปเนี่ยเวลาอากาศร้อนจัดคนก็จะตายเยอะพอเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้เตรียมแอร์เ อ, เอาไว้เขาเตรียมแต่ฮีตเพราะเะื่อ ก, ก่อนเนะ่ยปีทั้งปีมันหนาวใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้มันมันรึมร้อนหกเดือนหนาวหกเดือนไอ้ตัวเขาไม่ได้เตรียมตัวที่จะสร้าง ไอแเอเพอที่จะต้อนรับร้อนเพราะเขาไม่เคยร้อนพอมันร้อนพวกก็ขึ้นมาเนี่ยเขาเตรียมไม่ทันก็ตายกันเยอ ะ, ะอย่าว่าแต่ในยุโรปแม้แต่ชิคาโก้เหมนกันพระร้อนจะจัดคนก็ตายเยอะโดยเฉพาะผู้สูงอายุ น, ะ น, ะนั้นมาถึงว่าภัยพิบัติตัวใหม่ถึงไม่ใช่สงครามการสู้รบแต่เป็นสงครามทางธรรมชาติซึ่งเหนือคําว่าเราจะต้องสู้รบกับภัยที่มองมาเห็นตัวกูจะรู้ว่ามันเป็นภัยมันก็ล็อกถ้าเสียแล้วเรียบร้อยแล้วถ้าเราไม่รู้เท่าทันใช่ไหม อันนี้คือการปฏิบัติธรรมมีผลเราก็จะไม่ทุกร้อนไปกับการแปรปรวนของอากาศแต่เรามีสิทธิ์ในการที่จะไปอยู่ที่ที่เหมาะสมที่ปรับบุรหภูมิให้ตัวเราเองได้พ้นอันตรายและเลือกอาหารกินที่ไม่เพิ่มความร้อนเลือกการดำรงอยู่ที่ปลอดภัยนะ อาหารการกินเมื่อวา น, เ, นเรานั่งรถมาทีนี้ไอ้โชอเฟอร์มันมีความปรารถนาดีเห็นแล้วนั่งหน้ามันก็ไปซื้ออ่ะหลงพ่อก็ไม่ได้ถามมันว่าไปซื้ออะไรมาว่าก็มาตั้งรถหลงพ่อก็มาฉันถ้าไม่ฉันน้องมันก็รูมเกิดเฉเสียสัทธานะเขาตั้งใจกนะ็ฉันเอาพกคนเปิดกาแฟกาแฟเย็นเอที่ไหนได้หล อ, องพ่อแพ้กาแฟเมื่อคืนนี้นอนตาแข็งตลอดเลยะไม่ต้องหลับ <S <S <S <S <laughs> เพราะนั้นเอออันนี้ก็มือนกันในเรื่องอาหารกันทีเราจะบอกว่าพงพ่อไม่ชานกาแฟมันซื้อมาแล้วใช่ไหมเออแล้วก็ต้องเออมันก็ดีไซนดีดีนะมันรู้อะไรหลายอย่างพ่อก็บชนมันคุยมันรู้อะไรลึกซึ้งหลายอย่างไอ้คนนี้ก็เลยว่าก็เลยบอกมันว่าเนี่ยคุณขับรถไปไหนนะหน้าแรงเนี่ยคุณไปเจอในโซนไหนที่ไฟกำลังไหม้เนี่ย เขามีเบอร์บอกว่าตรงไหนศูนย์ไฟป่าอยู่ที่ไหนคุณเมมเบอร์เขาไว้คุณเจอแล้วก็คุณโทรไบอกเขาแต่เขาจะมาดับหรือไม่ใช่เรื่องของเราแต่เราหน้าที่ของเราคือต้องให้ข้อมูลเขาถือว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราแล้วเราจึงไม่ได้รับกรรมร่วมเพราะเลยทำหน้าที่ของเราแล้วเพราะนั้นหมพอนั่งรถไปตามตรงนั้นทางหลวงจะเมมเบอร์ของพวกไฟป่าแต่ละจังหวัดเอาไว้เช่นเดียวกันมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยใช่ไหม พราะไฟอันนี้หลวงพ่อเห็นว่ามันจะต้องเป็นภัยเมื่อสิปีก่อนพ่อบอกเตือนไม่มีใครสนใจว่าภัยตัวใหม่ของประเทศเราคือไฟป่าและวิธีการแก้ไขก็ไม่ยากถ้าเราจะทํากันจริงๆนะโดยการถ้าเราอาศัยใหโครงสร้างเดิมของการบริหารเดิมก็ใช้ไม่ได้แต่อาศัยโครงสร้างที่ว่าอาศัยความร่วมมือของชาวบ้านเนะี่ยเบื้องต้นที่สุดเนี่ยพวก กำลังคนที่เหลือของทหารเนี่ยก็สามารถจะแบ่งไปตามตำบลหมู่บ้านต่างๆให้ช่วยชาว บ, บ้านในการเฝ้าระวังไฟป่าแต่ละปีไปนะเกณฑ์ทหารเพิ่มขึ้นก็ได้หรือเขามีติดขัดกันว่าไม่มีงบประมาณเบี้ยเลี้ยงใช่ไหมทำไงานเครื่องมือไม่มีเบี้ยเลี้ยงสำหรับคนไปทำงานไม่มี เขาก็อ้างข้อนี้ใช่ไหมที่ทําลายป่าถูกทําลายถ้าถูกไฟไหม้เอา้าทำไมหน่วยป่าไม้หน่วยวิทยานมีหน้าที่ทำไมบอกไม่มีนี่งบประมาณอันนี้คือมติขัดตรงนี้ก็คิดกันต่อไปเอา้าถ้าจะดับไฟป่าโดยไม่อาศัยงบประมาณไม่ได้หรือเพราะคุณขึ้นโลโก้ตามถนนทางว่าเขาป่าคือเผาชาติเขาป่าคือการทําลายชาติใช่ไหมอันนั้นคือศัตรูของเราแล้วเมื่อเรามีทหารมีชาวบ้านทําไมไม่พร้อมรบอะ่ะ เราไปอ้างว่าหมดงบประมาณเราสู้วิธีอื่นที่ไม่ต้องอาศัยงบประมาณมาได้หรือก็มาคิดกันดิใช่ไหมก็ใช้สมองมันก็ไม่คิดกันเลยเอาถ้างั้นทาําไงหลวงพ่อบอเออถ้ารอหลวงพ่อเป็นนายกก่อนหนูพ่จะไปแก้ไขก็ไม่ได้เป็นไผยไม่ได้ใช่ไหมเออเราก็ต้องเชิดกันขายไอเดียให้กับผู้นําทั้งหลายได้ศึกษาว่าถ้าคุณไม่มีงบประมาณ พ่อคุณเอากำลังพลมาใช้ไม่ได้จะอาศัยชาวบ้านไปช่วยชาวบ้านก็ต้องมาหากินไม่มีเบี้ยเลี้ยงอ่าประจํว บ, บให้เขาใช่ไหมบ้านาก็ไม่มีเวลาที่จะไปรับาเฝ้าระวังขนาดนั้นแล้วทําไงหลวงพ่อเขคิดว่าอย่างนี้ว่าให้แต่ละหมู่บ้านรนะับผิดชอบในเขตของตัวเองก่อนนะโดยที่ ให้บริษัทเอกชนเข้าไปดำเนินการเป็นองค์การนําร่องซึ่งมีอยู่แล้วใช่ไหมองค์การนําร่องว่าสมมติเอาบ้านหมู่เจ็ดปากปานเนี่ยให้บริษัทเอกชนทักแข่งเข้ามาดำเนินการตัวลงทุนอาจจะกู้เงินจากต่างชาติหรือเงินช่วยเหลือจากองค์กรการกรุศลต่างชาติก็ได้พวกกินพีดอย่างเงี้ยเขาต้องการก็มาจ้างชาวบ้านในฤดูเนี่ยมาสามเดือนตั้งแต่มกตั้งแต่ กุมภามีนาเมษาสามเดือนให้ชาวบ้านได้มีงานทําก็คือเข้าไประวังไฟป่าวิธีการทําอย่างไรไม่ยากละทีนี้ใช่ไหมให้บริษัทนําร่องและถ้าหากได้ผลที่บริษัทเอกชนที่มีความสามารถบริหารจาัด ก, การเขาทําได้อยู่แล้วไว้จะให้ปลอดภัยได้งไงถ้าให้ผลปีนี้สมมุติบ้านนี้จังหวัดแพร่มีกี่หมูและบริษัทเอกชนเข้าไปรับผิดชอบต้องการ บริษัทนี้จะเข้าไปฝึกให้ชาวบ้านในแต่ละหมู่บ้านเนี่ยวิธีการตั้งรับไฟป่า ย, ยัางไงจะใช้งบประมาณเท่าใดก็หารกันออกมาเสียแล้วชาวบ้านก็มีงานทําไฟก็ไม่ไหมป่าแต่ในกรณีที่ไหมต้องให้ไหมให้น้อยที่สุดเราจะห้ามไม่ได้บ้างแต่ในกรณีที่มีการเกิดการกันแกล้งเกินเกิดขึ้นอันนี้ก็ต้องลงโทษกันอย่างหนักว่าอยากจะได้งบอยากจะได้อะไรเพิ่มเติม ถ้าหากว่าเมื่อเกิดไฟไหม้ป่าเป็นผืนใหญ่แทนที่จะไปปรับชาวบ้านจะไปปรับบริษัทเอกชนที่เข้ามาดูแลไม่เท่าถึงใช่ไหมบริษัทเอกชนก็มีการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดใช่ไหมก็จะมีเครื่องมือในกา ร, ราบริษัทเอกชนเขามีทุนเขามีเครื่องมือมากกว่าเขามีความพร้อมมากกว่าพอได้จังหวัดหนึ่งนําร่องอย่างนี้ในปีต่อไปไม่ยากละมีประสบการณ์มีการเรียนรู้แล้วใช่ไหมบริษัทไหนเขาเข้ามาร่วมทุน รัฐบาลก็หางบประมาณให้บริษัทไปชาวบ้านมีงานทำแล้วก็บริษัท ต, ต่างชาติเข้ามาลงทุนทำแค่เนี้ติดต่อกันห้าปีแค่นั้นแหละปากฟื้นเลยเป็นไปได้ไหมคุณว่าไปเชื่อคายไอเดียเนี่ยให้กับรัฐบาลแต่ถ้างพ่อเป็นส่วนหนึ่งหงพ่อมี power พอหลวงพ่อจะต้องนำเสนอเนี่ยหลิ้มเอาวัดแต่ละวัดแต่เอาพระเป็นศูนย์กลางในการ พาชาว บ, บ้านทำใช่ไหมแล้วรัฐบาลก็ให้งบ ก, กับหมู่บ้านนั้นๆทำโดยให้พาเป็นผู้นำอ่าแต่ก็เสี่ยงพาไปเรี่นกันเมืองเอ ง, เองนะเอาบริษัทเอกชนาะปลอดภัยที่สุดเพราะฉะนั้นอันนี้เอามาเห็นว่ ข, ข้อพงศักดิ์ที่วัดผาราทท่านเอาต่อสู้เรื่องนี้มาหลายปีจนกระทั่งปัจจุบันนี้ท่านมโณ น, นาภาไปแล้ว่มาเคยไปอยู่กับท่านที่วัดผาราที่เชียงใหม่ ท่านไปรักษาป่าบริยานแห่งชาติแม่สอยระหว่างเส้นทางจอมทองไปฮอดเนี่ยป่าหลายหมื่นไร่เพราะท่านประสบผลสาเร็จจากไอาการดูแลป่าที่มุยแก้วดอยสุเทพเพราะท่านตั้งมูลนิธิขึ้นมาแ ล, ล้วลูกศิษย์ของท่านที่ไปเรียนอยู่ทางเยอรมันทางนู้นเขาก็ติดต่อเอา บริษัทมูลนิธิที่จะรักษาป่าจากต่างประเทศอุกกาศการลุศลเอาเงินเข้ามาแล้วเอาเงินนี้ก็หลายหลายล้านแล้วมาจ้างชาว บ, บ้านพวกที่เขา <c oughs> ตกงานในตอนหน้าแล้งนะพวกเขาเผ า, ามูลเซอร์ต่างๆแต่ตตเข้ามาเป็นคนงานของบทของมูลนิธินี้แล้วมูลนิธิธรรมนาฏพ่อก็เคยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่มีลูกศิษย์ สอนอยู่มหาวิทยาลัยพายัพเนี่ยเป็นผู้ประสานเขาไปเดินจบเยอมันมาอาจารย์สิจิลาเนี่ยเขาก็ทําได้พระนําเองแล้วจะอาศัยนักวิชาการคุณอาจารย์ยในมหาวิทยาลัยครับไปร่วมแต่ว่ารัฐบาลไม่เห็นความสําคัญเพราะอะไรเพราะว่ามันไปกระทบโครงการหลวงเพราะในในอุทยานมีโครงการหลวงอยู่โครงการหลวงนั้นจะต้องมีการ ปูกพืชเพื่อเศรษฐกิจผลิตออกมาสู่อะไรศูนย์ศิลปาอาชีพใช่ไหมเห็นหมมันเกิดกระทบข้างบนแล้วทีนี้ จ, จะรักษาปา่าต้นน้ำเขาต้องการเผาทั้งนี้ไม่ให้เผานี่เกิดขัดแย้งขึ้นมาอาจารย์พงส์ศักดิ์ก็เลยมีภั่ลึกลับเล่นงานอยู่มีสะดุเกิดขึ้นท่านก็สู้สู้จนหมดกำลังหลพ่อเคยไปอยู่ที่ทําดูปูที่แม่สอยเนี่ยก็ไปช่วยท่าน ภาพไปเข้าปฏิบัติเข้าทุูดลงที่นั่นเป็นเดือนๆ ด, ดึงได้เห็นนะการทํางานของท่านท่านสู้ยนกระทั่งในที่สุดท่านก็เป็นอมพูตอมภิพัฒอยู่หลายปีมรณภาพเมื่อปีกายนี่เองนะก็ไม่มีใครไปเหลียวแลท่านในที่สุดแต่ว่าสิ่งที่ท่านทำนํำมันยิ่งใหญ่แต่ชาวบ้านก็หาเรื่องหาเหล่าวใส่ท่านจนได้เสื่อขนที่เสียประโยชน์ก็ฝ่ายที่เขาเสียประโยชน์จากโครงการหลวงนั่นแหละโดยการ ทำลายวิธีการก็คือตัดต่อภาพว่าท่านไปมีผู้หญิงไปเสียตัวที่นู่นที่นี่ถ่ายภาพตัดต่อ <c oughs> ตัดต่อภาพออกมาแล้วมาโชว์ทั้งด้านสื่อในสื่อท่านก็ถูกจับสื่อพอสื่อไปแล้วท่านก็เกิดความเขาเรียกว่าเสียกำลังใจ เมื่อเคลียร์คดีแล้วก็ปรากฏว่าไม่มีจริงเป็นภาพตัดต่อท่านก็กบบระบบบทใหม่ปรากฏว่าท่านป่วยละเปน็นนายกรัฐมาตรีอันนี้คือวิธีการทำลายผู้นำทางเอกชนแม้แต่พระสงฆ์นะพาอไปขัดผลประโยชน์ทางบนเขาที่เขามีผลประโยชน์ในแง่ของกนันถ้าหากว่าจะจ้างบริษัทเอกชนจะปลอดภยัยฝ่าเพราะีเขามีกฎหมายคุ้มครองเพราะนั้นเองก็นี่คือทางออกนะ แต่ถ้าหากว่าประเทศไทยยังคิดกันเรื่องนี้ไม่ออกบอกกันไม่ได้เลยมันก็จะมีความเสื่อมอย่างรวดเร็วอย่างที่ว่านี่แหละอันนี้ก็ช่วยไปใครเดียให้หน่อยก็เลยกันถ้าทำาไม่นี่มูลหลวงพ่อไปแจ้งได้แล้วนะเพราะว่าถ้าเราจะช่วยประเทศชาติก็ต้องช่วยกันแบบนี้นะก็หาวิธีการนะแต่ในเมื่อมาอ้างว่าไม่มีงบประมาณเงินไม่พอแล้ว แล้วคุณําไมไม่ใช้ปัญญาหาวิธีการร่วมมือกลุ่มอกองการกุศลต่างๆประเทศคุณเ g o มอต่างประเทศที่เขาจะพร้อมช่วยเรื่องนี้เขามีเงินทุนเป็นพันๆล้านนะคุณทูนไม่ไปหาเขานะก็อันนี้ส่วนหนึ่งที่การใช้ธรรมะเพื่อเป็นประโยชน์ในการที่รักษาชาติรักษาเผ่าพันธุ์รักษาศ า, า, าสนาดารงอยู่ได้แต่เราจะบอกว่าเราเป็นชาวพุทธ ทุกอย่างเป็นอิจราทุกขังน่าตายอย่าขนขวายลำบากเลยท่านคิดอย่างนี้ส่วนใหญ่คิดกันอย่างนี้นะลำบากเปล่าๆถึงทำไปก็ไม่ได้ผลอะไรเขาทำกันมานานแล้วเขาคิดดียิ่งกว่าคุณอีกเขายังเห็นทำไม่สำเร็จเพราะอะไรใช่ไหมนี่คือส่วนหนึ่งที่น่าคิดแต่ว่าในฐานะที่เราได้อาศัยพืพนแผ่นดินนี้มานะยาวนานตั้งแต่บรรพบุรุษเรามาเนี่ยเราก็จะต้องคิด หาวิธีการที่รักษาพื้นแผ่นดินที่รักษาสิ่งที่ดีที่สุดที่มาเล่าให้ฟังหลายครั้งถึงเรื่องความกระตัญญูต่อสิ่งนี้ผู้มีพระคุณและประเทศชาติป่าไม้ภูเขาเทาวันที่เราได้อาศัยมามีข้าวมีน้ำมีอาหารให้กินตลอดมาหลายสิบปีเนี่ยเมื่อถึงการวิกฤตอย่างนี้เราไม่มีทางเลยใน่าจะตอบสนองบุญคุณอย่างเงี้ยใช่ไหมประมาณเล่าเรื่องของถึงนกกระจิบที่ว่านกกระจิบนกกระจะ ถ้าว่ามีอป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีนกอาศัยอยู่เยอะเป็นป่าภัยดีปีนะหน้าร้อนเนี่ยไฟป่าก็เข้านกทั้งหลายป่ากันหนีตายบินไปสู่ป่าอื่นแต่มีนกตัวหนึ่งมันคิดอย่างที่เราคิดกันนี้ว่าเ อ, อเมื่อเราได้อาศัยป่าพืนนี้มาตลอดชีวิตเมื่อภัยพิบัติเกิดขึ้นนี้ถ้าเราหนีไปโดยที่ไม่ดูแลช่วยกันดูแลเลยเนี่ยมันก็เหมือนเป็นคนอกรตรอยู่เป็นสัตว์อากรตรอยู่ในที่สุดมันก็เลยเอเราจะทํา จะได้ผลหรือไม่ได้ผลก็ตามแต่เราจะทําหน้าที่ของเราในที่สุดก็นกน้อยตัวนี้มันก็บินไปที่หนองน้ําแล้วก็เอาตัวของเราขแกไปชุบน้ำแล้วก็บินมาที่ป่าไผยที่กํลาลังไฟเรากำลังสลัดขนก็บินไปเมื่อหลายสิบเที่ยวในที่สุดการกระทําของนกน้อยที่มันเดือดร้อนถึงพระ อ, อินทร์นะฮะแล้วอินทร์ก็ลงมาถามอ้าเจ้านกน้อยจานกระทำอะไรฉันกําลังดับไฟป่านทรก็หัวเราเป็นไปได้ยังไง มันจะดับไงน้ําแค่ติดขน้องแกเนี่ยไม่มีพอนี่จะไปดับอะไรแม้ไฟไม่แต่กํำมือเดียวอยู่แล้วข้าพเจ้าไม่ได้คิดว่าไฟนี้จะดับหรือไม่ดับแต่ข้าพเจ้าได้ทําหน้าที่ของข้าพเจ้าในฐานะว่าข้าพเจ้าได้พึ่งป่าผืนนี้เป็นระยะยาวนานข้าพเจ้าทําหน้าที่ของพระเจ้าในฐานะเป็นผู้เห็นคุณไฟจะดับไม่ดับไม่สําคัญแต่ข้าพเจ้าได้ทําหน้าที่ของเจ้าดีที่สุดแล้วโอ้โห เขอินได้ฟังเลยซื้องบาดานได้ฝนตกฝ <c oughs> นตกลงมาทั้งป่าไฟดับทั้งป่าเลย <c oughs> เห็นไหมอันนี้อํานาจของกุศลธรรมมันมีอิทธิพลสูงมากเพราะนั่นกรณีเครียดมาเป็นลกน้อยตัวหนึ่งเอ็มบ่าเห็นไฟป่าที่ไหนเอามาได้ทําหน้าที่แล้วคือบอกเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ทราบว่าไฟป่าเข้าตรงนั้นตรงนี้นะคุณให้ไปดูหน่อยเขาจะไปไม่ไปไม่ใช่แต่หน้าที่ของเราได้ทําแล้วได้ทําหน้าที่แล้ว อามาก็พยายามบอกให้พวกโซเฟอร์คนเดินทางไปจําคุณเห็นไฟป่าหรือไฟไหม้ที่ไหนก็ตามคุณกรุณาโทรไปบอกเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเขาจะมาดับมาดับไม่ใช่เรื่องสําคัญเมื่อวานอามาเลยโทรหาคุณเบ้ลพี่เขยครูธานีเขาเป็นหัวหน้าฝ่ายสิวิลล์ลอมอยู่ที่แพร่เมื่อก่อนเขาเป็นป่าไม้อำเภออยู่ที่เด่นชยัยแต่ปีนี้เขาได้รับไปเป็นหัวหน้าฝ่ายของสิวิลล์ลอมแพร่ เลยกระช่วง <c oughs> ิ่งยวร้องธรรมชาติกรถตัวหาแก่แกค่ครับครับครับครับเดี๋ยวผมจัดการปรนะสานงานอย่าครับเฉยๆนะลูกจะรีบไปดูเนะขาก็ไปแต่จะได้พ้นยังไงไมาดูนะไม่ได้ไโทรติดตามแก่เนี่ยเราได้ทำหน้าที่แล้วทำได้ไหมสษาะนี้ทำได้ไหมยากไหมไม่ยากเลยใช่ไหมแต่ทำไมเราไม่ทำกันนะอันนี้คือกุศลเราไม่ฟอง ที่นึกไม่ออกว่าจะทําก็ต่างคนก็ร้อยวันพันคนร้อยคนพันคนผ่านไปก็คือไปไม่ป่าแล้ววก็บน่นอย่านอย่างนี้เกิดประโยชน์ไหมไม่เกิดเขณะนี้คุณมีศักยภาพจะทําอะไรก็ทําไปสิว่ามันว่าเราได้ทําหน้าที่ของเราดังนั้นเมื่อเรายังคิดโครงการใหญ่ไม่ได้โครงการเล็กๆนี้ทําไปก่อนเลยออย่างน้อยเราบอกทุกสิบที่หน่วยงานเนี่ยมันจะต้องมีหน่วยงานหนึ่งเกิดสํำลึกขึ้นมานะ ปีหนึ่งหลวงพ่อพาพระไปเข้าทุดงอยู่ที่ดอยหลวงที่จอมทองเป็นวัดบนภูเขาสวยงามมากทีนี้เดา่มาหลวงพ่อเห็นไฟขึ้นก็เป็นหน้าแรงเห็นไฟขึ้นภูเขาอีกลูกหนึ่งคนตลกหลงพ่อก็เลยโทรเข้าหาหน่วยดับไฟพราลพ่อมันจะมีเมมเบอร์พวกนี้เข้าไว้ในที่เชียงใหม่มันไหม้ตั้งแต่เก้าโมง ปากฏว่าวเจ้าหน้าที่โผล่ไปกี่โมงรู้ไหมห้าโมงเย็นเออนีมึงไม่ต้องมาก็ได้แบบนี้ไฟมันดับเรียบร้อยแล้วเราอยากจะพูดอย่างเงี้ยแต่ว่ากลัวมันโกรธเลยไม่พูดเห็นไหมอันนี้คือเจ้าหน้าที่พึ่งไม่ได้เลยเออมันก็ส่งคําสั่งกันไปกันมาไม่รู้ที่นึ่งที่หนึ่งรับผิดชอบกูนู้นกูจะไม่ถึงเวลานี่กูจะสื่อสารกันได้ใช่ไหมไฟมันเข้าไปไม่รู้กี่ตะร้อยตารางเมตรตารางกิโลหรือเมตรแล้วใช่ไหม นี่คือตอนนั้นเรามีส่วนช่วยได้ในการที่รักษาปกปักรักษาประเทศชาติมีส่วนร่วมตรงไหนที่เราสามารถทําได้ทำนะเพื่อที่จะรักษาแผ่นดินถิ่นเกิดของเราขอให้เราได้แสดงความกระตันยูในรูปแบบอย่างไดอย่างหนึ่งเพราะนั้นกระตันยูคนที่มีคุณธรรมสูงแล้วเนี่ยความกระตันยูคู่คุณขเขาไม่ได้จํากัดอยู่ที่พ่อแม่มันจะหมายถึงต้นไม้ใบหญ้าภูเขาเทววันแหล่งน้ําทุกอย่างเราต้องกระตันยูหมด นี่เขาเรียกว่าเป็นส่วนที่เป็นเมตตาที่เป็นอปมัญญาที่เกี่ยวข้องดในการดูแลเพราะสิ่งเหล่านี้เราสร้างเนื้อสร้างตัวเรามาหมดใช่ไหมธรรมชาติทั้งหมดอากาศคือท่าสี่ดินน้ําลหไฟทั้งหมดที่มันเป็นธรรมชาติเนี่ยดินน้ำโลหไฟคือตัวเราเมื่อเกิดวิกฤตเกิดขึ้นเน่ยเราก็ต้องเกิดสํานึกขึ้นมาว่าเราจะรักษาธรรมชาติท่าสีภายนอกที่ทําให้เราต้องดํารงอยู่ได้เนี่ยเพราะอะไร นะนั่นจึงฝากให้พวกเราคิดนะแต่ไม่ต้องฟุ้งซ่านก็นได้นะฮะคิดว่าจะทำยังไงช่วยกันนะก็ช่งชวงเช้านี้ก็ธรรมเทศนาเรื่องอะไรดีเรื่องรักษาความสมดุลของธรรมชาตินะทางภายนอกภายนอกภายในตัวเราก็นำไปพิจารณาก็ขอโนุทนาสาธุในความตั้งใจที่เราจะช่วยกันดูแลรักษาพืนป่า ของประเทศไทยจะด้วยวิธีใดก็ตามก็ขอให้พวกเราได้ทำเพื่อประโยชน์และความสุขของเราและคนมีศีลธรรมทั้งหลายด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอ